สมพงว่าไงคือใจใจเราเนี้ยมันจะมีความอยากนะเล็กเลกเล็กเลน้อยๆมั น, นมแฟะในหน้าที่ของเราถ้าเรารู้เท่าทันความอยากสักนี้เดียวก็ั้งอยากปฏิบัตินะอยากปฏิบัติขึ้นมาก็แน่นแล้วล่ะ บางทีแน่นๆนี่ก็มาจากคนอื่นก็ได้นะทีเหมือนเอจะากแต่ไม่มม <c oughs> ทราบว่ามทีมาจากคนอื่นก็มีแต่ว่าพอเรารู้พอเรารู้แล้วเนี่ยใจเราเป็นกลางไว้นะสมพงดูออกไห้อะไรที่เกินธรรมดาเนี่ยดูออกก็ยัง สิ่งที่เกินธรรมดาเนี่ยก็เป็นความปรุงแต่งทั้งหมดเลยความปรุงแต่งมีสามันความปรุงแต่งสายอกุศลอย่างปรุงกิเลสขึ้นมาความปรุงแต่งกุศลอย่างที่พวกเราชับทำคือพยายามประคองใจพยายามรักษาใจปรุงแต่งสายกุศลอันหนึ่งปรุงแต่งความว่างนานๆเจอนคนหนึ่งเมื่ออาทิตย์ก่อนเขามีมาคน ไปอยู่กับความว่างมันไม่ทุกข์อยู่กับความว่างไม่ทุกข์ก็จริงนะแต่มันเป็นความปรุงแต่งชนิดที่สามอนเนินชาที่สังขารลึกๆ ล, ล, ลงไปเลยก็คืออวิชชาคือความไ ม, ไม่เข้าใจอริยสัจไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์ที่บ้านตัวดีรู้สึกไหมมันเป็นตัวดีของเราก็เข้ารู้ไปเออนะเข้ารู้ไปนะ ทำาเมื่อไรใจอยากให้มันหลุดพ้นปุ๊บเนี่ยลึกๆเราไปนะคือมันรัดตัวเองมันอยากให้ได้เร็วๆประคองไว้ทราบไหมเออนะเพราะมันเคยชินนะทำทั้งหลายล้วนแต่มีเหตุทั้งหมดเลยสุนพงมันไม่ได้เป็นเองเอแต่ว่าที่มันเป็นไปเนี่ยเพราะว่าจิตมันเคยชินที่จะประคองไงโยว่านะงายโย เดี๋ยวขอตรวจกันบ้านคนเก่าๆก่อนนะคนใหม่ๆเดี๋ยวเพื่อใสายๆมาอีกเอาว่าไงโยเป็นไง้าวนาตอบดูหมดหวังยังไงชอบคนสมพงเวลาใจมันเสลิไปรู้เร็วขึ้นไหมเห็นกิเลสเร็วขึ้นไหม เห็นี่เลสแล้วใจโล่งเบาไหมหรือใจหนักแน่นคือตรงตกค้างเนี่ยสมพงต้องแยกให้ออกนะความอืดอาดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นตัวที่เรากำลังทําอยู่เราทเข้ามาหรือว่าเป็นวิบากถ้าตัววิบากนะไม่หายนะวิบากก้องทนรับไปก่อน อย่างช่วงไหนกิเลสรุนแรงมากๆเนี่ยถึงเรามาเจริญสติจิตใจเราโล่งเบานะจิตใจเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยไอความหนักมันยังตกค้างนะไอตัวนี้เป็นผลของมันแก้ไม่ได้ต้องรับใช้ชดใช้ไปอย่งช่วงไหนเราทําอกุศลมากๆากอีกช่วงหนึ่งสติของเราเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นรู้ว่าอากุศลรู้ว่ า, ากุศลด้วยแต่ว่าตัวนี้ยังตกอยู่ โยอย่าตั้งใจเยอะโยนทิ่ติดดีแล้วนะรู้สึกไปเรื่อยๆบุมบูมทำอะไรโม่สนใจคนอื่นรู้สึกไปนะดูออกไหมตอนนี้เริ่มไปปกคองบังคับแนละ้วดูให้ออกนะปรุงแต่งนิดเดียวก็ใช้ไม่ไดนะ้เราต้องรู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปทำอะไรขึ้นมาใจของเราชอบไปทำมันขึ้นมา คนที่ไม่เคยภาวนาเขาก็ไปทําอภิสุจนขึ้นมาคนเคยภาวน า, าก็ไปทํากุศลขึ้นมาดูออกไหมปรุงแต่งไฟอะไรตอบได้ไหม <Yeah. S 1> เออปุงแต่งไฟดีใช้ไม่ได้นะ <c oughs> หรือทันนะนี่มาเรียนสามวันใช้ได้ละนะทีมเราเนี่ยมันติดอาจารย์นะอย่าติดอาจารย์นะ ไปดึงอาจารย์ฉับรู้สุสมไปด้วยทำยังไงจะพึ่งตัวเองได้ต้องพึ่งตัวเองให้ได้นะเวลาจะตายตายคนเดียวนะต้เชื่อตัวเองให้ได้อาจารย์เอาไว้เวลามีปัญหาก็ไปหานะหรือเกาะแข้งเกาขาอาจารย์ทั้งวันไม่ได้นะนิ่งอ่อนแอต้องเข้มแข็งไหมลูกสาวอาจารย์มาบน่นบว่าเกอะทั้งวันเลย บอกถ้าเป็นอ่อยนะอ่ อ, อยจะเอาไมาห้หน้าสามมวดใหนะ้ทำไงจะพึ่งตัวเองได้นะเด็กนั้นมันใจแข็งแข็งนะ ห, หลวงพ่อยังไม่เคยเจอคนที่ประสบความสำเร็จแต่ใจอ่อนอ่อนะ่ะไม่เคยเห็นนะมีแต่ว่าทำยังไงต้องมั่นใจตัวเองทำไงเราจะลุกขึ้นมายืนด้วยตัวเองให้ได้นะเข้มแข็งไว้ ยกเว้นแต่เวลามันมีปัญหาหนักจริงๆนะหรือเครียดจริงๆอนะนั้นยกเว้นนะ ห, หาแต่ถ้าไปเพื่อไปรับกระแสให้สบายใจนะ <c oughs> แมวเอไหนนะ่า ไ, ไม่ได้กินหรอกเ <c oughs> มื่อก่อนใน้านทมพวกทีมชอบไปดูดกระแสพรยเจ้าสอนให้พึ่งตนเองนะโยก็เคยไปดูดกระแส ปาสาทนมรุ้งใช่เออนะเข้มแข็งคอยรู้สึกไปทั้งสองคนนะคอยรู้สึกไปเรื่อยให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะอย่าหยุดนิ่งเราติดครูบาอาจารย์เราไปอยู่ใกล้ๆมีความสุขแล้วเผลอเพลินเพลินหลายๆปีก็จะเพลินอยู่งนั้นนะแต่ดูออกไหมตอนนี้ทำอะไร เออหรือให้ทันเท่านนะั้นแหละมันเป็นยังไงก็ได้ไม่ต้องใส่ชื่อให้มันก็ได้แค่รู้ทันหนูนาแกล้งเออแล้วรู้สึกไหมนะอย่าส่งจิตไปลงช่องนั้นดูออกไหมมันเคยชินที่ไหลช่องนี้นะไหลเข้าไปแล้วมันจะเผลอเผลนเผลอเผลอไม่ดีนะเดีย๋ยวต้องไปเป็นนางฟ้านาน <c oughs> แตนทําอะไรแทน เผลอไปแล้วนะเออเผลอไปแวบบรู้ทันนะรู้ไว้ใจของเรามันจะปรุงแต่งไปเรื่อยๆใช่นะเจ็บเผลอเข้าส่งในส่งนอกนะหลวงปู่เทศห้ามหมดเลยนะต้องรู้สึกตัวรู้อย่างเป็นกลางไนะอาอว้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วม้วนเข้าไปอีกแล้วดูออกไหมนะอย่าม้วนเหมือนมา้มาม้าน้ำม้วน ถ้าดูออกนะก็ไม่มีปัญหาละนะถ้าดูไม่ออกเราจะไปหลงความปรุงแต่งอย่างนี้อยู่ของหนูนาจะปรุงแต่งไปอย่างเป็นแช่แช่ไว้เฉยเฉยดูออกไหมนะของแตนะ่ะเขาหมวนเข้ามาข้างใ น, นะของหนูนาแช่ออกไว้ข้างนอกนะใยรู้ให้ทันนะรู้ให้ทันไม่เอาไม่แกล้งทำนะอ่ะตันนี้ชื่ออะไรลืมอีกละ <c oughs> ชี่จูนเป็นไงภาว น, นาน แ, ลแล้วเผลอนานไม่ดีน ะ, เ, นอะเอาว่าถ้าทํางา น, นทํางานไม่ได้หรอกทำงานมันต้องไปรู้อารมณ์ที่เป็นบัญญัติคือรู้งานเรารู้อารมณ์ปรามัตดไม่ได้คือรู้กายรู้ใจไม่ได้แต่ว่าพอทํางานไปแล้วเครียดรู้ว่าเครียดนะทํางานไปแล้วงานประสบความสําเร็จดีใจรู้ว่าดีใจ ค่อยทำเอาให้มันเครียดไปก่อนแล้วรู้ทีหลังอ้าวเหรอนานไปหน่อยะจริงๆเองจิตต้องหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงจิตต้องโลภไปก่อนแล้วรู้ว่าโลภนะจิตต้องทุกข์ไปก่อนหรือเครียดไปก่อนแล้วค่อยรู้ว่าทุกข์ค่อยรู้ว่าเครียดถ้าเราคิดจะปฏิบัติโดยการจะจ้องเอาไว้ ไม่ให้คลาดสายตาเราจะพลาดแนละ้วการดูจิตนะไม่เหมือนการรู้รูปการรู้จิตเนี่ยให้รู้ตามหลังไปเรื่อยๆมันเป็นยังไงค่อยรู้ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ต้องขยันรู้นะวันนึงรู้สองครั้งเยไม่พอนะ <c oughs> ยิ่งบ่อยยิ่งดีแต่ไม่ใช่นั่งเฝ้าเอาไว้อ่้วนว่าไงอ้น อย่างขี้โมโหเท่าเดิมไห ม, ไมหใครรู้ไ ว, ไว้ไๆนะอยูไปใจของเราให้ตื่นขึ้นไปเรื่อยๆดีแล้วล่ะใจอ้นยังคอยทําอยู่ดูออกไหมยังประคองไว้อนะหลงประคองก็คอยรู้ทันที่ประคองไว้อย่าอยากเลิกนะประคองรู้ว่าประคอง ให้รู้เฉยๆอนยะ่าอยากแก้อยากแก้ไหมอยากแก้รู้ว่าอยากแก้แท้จริงแล้วไม่ว่าจิตใจเราจะไปรู้สภาวะทำอะไรก็ใช้ได้ทั้งหมดแหละจิตจะไปเป็นยังไงก็ได้หมดเลยแต่ขอให้รู้อย่างที่มันเป็นรู้ด้วยใจที่เป็นกลางไว้เพราะงั้นอย่างใจของเราไหลรีเกาะนิ่งๆแช่นิ่งๆในอารมณ์ันหนึ่งในช่องนี้ เรารู้เราก็ใจเป็นกลางอย่าไปเกลียดมันนะเป็นกลางไม่ใช่จมปิดถ้าจมแสดงว่าไม่รู้นะถ้ารู้ว่าลงไปนอนแช่อยู่นะเสร็จแล้วสังเกตที่ใจอย่าไปสังเกตตรงที่เราไปแช่นะใจของเรานะมันไม่อยากแช่อนะไรเงี้ยให้รู้ที่ทันที่ใจนะคืออย่าไปหลงอยู่ที่ตัวสภาวะอย่างเดียว จิตของเราคาดเคลื่อนไปนะให้รู้ทันที่จิตใจจิตไปแช่รู้ว่าไปแช่แต่ว่าไม่ใช่ไปรู้อยู่ตรงโน้นไม่ใช่ไปแช่อยู่กับมันให้ย้อนลองมาสังเกตที่ใจนะใจให้ดูตรงที่ใจเราใจเราจะไม่พอใจสภาวะ น, นั้นถ้าเราเห็นใจที่ไม่พอใจตัวสภาวะนั้นใจเป็นกลางนะเสร็จแล้วเราจะจับสภาวะที่เป็นกลางขึ้นมาได้ เราจะรู้ว่าจิตที่ทำหน้าที่รู้จริงๆเป็นกลางจริงๆมันเป็นยังไงไม่ไม่ต้องพยายามแยกอ่ะส่วนใหญ่จะไป ด, ด, ดูตัวผิดถ้าดูตัวถูกนะมันเลิกปรุงแต่งเนี่ยหลงไปละดูออกไหมลงไปละ ใจไหลไปนะหนีแวบเนะี่ยหนีไปคิดทราบไหมนะให้รู้ทันนะรู้สภาวะไปเรื่อยๆรู้อย่างที่เขาเป็นนะแต่ไม่แทรกแซงนะรู้อย่างไม่แทรกแซงนะรู้อย่างแทรกแซงไม่ถูกปนะัญหามันจะแทรกเคยชินเคยใจใจไหลไปตามว่าเคยชินแนละ้วนะเคยชินทางอากุศล น, นะก็ไหลไปอกุศล นักปฏิบัติเคยชินกับการไปสร้างอะไรไว้อันหนึ่งแล้วไปอยู่กับ น, นั้นใจไม่เคยชินให้รู้ทันมันแต่แต่เดิมเราคิดว่าต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเข้าไปอยู่กับสิ่งนั้นเรียกว่าปฏิบัตินี่พอเรามาจับหลักการปฏิบัติว่าทวยเจ้าสอนบอกให้รู้รูปนามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราจะรู้แล้วว่าการเข้าไปแช่ไม่ถูกพอรู้ว่าเข้าไปแช่ไม่ถูกมันจะอยากเลิกแช่มันจะหาทางดิ้นรนรู้สึกไหมยังอยากแก้ไขมันอยู่ ให้รู้ทันตรงที่มันอยากแก้ไขอะ่ะใจมันไม่เป็นกลางถ้ารู้ทันตรงที่ใจมันอยากแก้ไขะนะใจจะเป็นกลางเองสภาวะที่ติดอยู่นะั่จะสลายไปหมดเลยคือเราจะไปจัดการตัวมันตรงๆไม่ได้จิตจะแช่อยู่จะไปหาทางดึงขึ้นมาไม่ได้ยิ่งยิ่งหนักกว่าเกา่ายิ่งทุกกว่าเกา่าให้รู้ทันใจที่อยากจะหลุดออกมาอยากแก้ โยก็ยังดีอทิตย์หนึ่งวันหนึ่งคนในโลกเขาไม่หลุดสักวันหนึ่งหลวงพ่อหัดใหม่ๆอาทิตย์หนึ่งหลุดได้แวบเดียวสองสามวินาทีนะดีใจจะตายแล้วไปหาหลวงปูด่ดูลนท่านบอกให้ดูจิตเองนั่งดูมาพอมาถึงกรุงเทพแล้วมันหลุดออกมาพอมันหลุดออกมาแล้วมันจำสภาวะได้โอ้จิตที่มันไม่เกาะกับอารมณ์มันเป็นอย่างยิ่ง พอรู้ทันแบบเธอเนี่ย เ, เข้าไปเกานะแล้วดึงไงก็ไม่ออกนะพยายามดูไปอีกอาทิตย์หนึ่งหลุดมาสองสามวินาทาีเข้าไปกกอะอีกนะสู้อีกดูนทุกวันเลยนะคราวนี้ห้าวันห้าวันหลุดออกมาได้ห้านาทีโอ้ดีใจมีพัฒนาการแล้วนะ <laughs> เวลาหลวงพ่อสู้นะสู้ตายนะโอ้คือเป็นคนที่อึด น, นะเล็กเล็กน้อยน้อยอะไรนะทําหมดนะ เฝ้ารู้เฝ้าดูปไปจนกทั่งหลุดออกมาได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเดี๋ยวก็ไหลเข้าไปใหม่อ่า อ, อ, อใช่นะงั้นคือโดยสภาวะโดยสถานะของเราอยู่กับโลกได้แค่นั้นก็เก่งละแต่ว่าพฝึ ก, ก น, า น, นานไปนานไปนี่ใจมันจะค่อยตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ง ถึงจุดสุดท้ายมันจะไม่เข้าไปอีกแต่จิตที่ไม่ไหลเข้าไปเกาะอีกนะมันคือภูมิของพระอนาคามนะีเพราะงั้นจิตของเราไหลเข้าไปเกาะบ้างไม่เป็นไรนะยังไม่ต้องตกใจนะจะไม่ให้ไหลเข้าไปเลยนะไม่ใช่ภูมิของเรานะจิตที่จะทรงตัวเด่นสว่างสวัยอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะไม่ใช่ภูมิเรา ฟังอย่างนี้ค่อยสบายใจหน่อยไหมเห็นไหมรู้สึกสบายใจรู้ว่าสบายใจนะไงสมพง์หายง่วงยังเยอไปเอานะเยไปเอาส่วนมากเราชอบไหลไปแช่เพลินๆราคาละเอียดพื้นฐานของมันก็คือมูหานนั่นแหละใจมันหลง นกจะส่ ง, งกันบ้านเลยไหมเปลี่ยนทรงผมล้อาอย่างคุณหญิงอะไรนะคุณหญิงที่เครียดเครียดแล้วไปทำผมอะไรเงี้ยอย่าใครมาลเล่เามันมยังไงภาวนานเออนะจริงๆภาวนาถ้าทำเป็นนะสนุกมากเลยแล้วมันจะมีฉันทะในการปฏิบัติหัดใหม่ๆเราจะมีแต่โลภะ อยากปฏิบัติแต่ขี้เกียจนะขี้เกียจแต่อยากได้ผลเรามีแต่ตันหาคืออยากอยากได้ผลนะแต่ให้ลงมือทําำนะขี้เกียจทำเพราะรู้สึกลําบากแต่ถ้าเจริญสติเป็นสติมันเกิดเองมันเกิดเองแล้วรู้สึกไหมเกิดเองแม้จะแสนสบายรู้สึกยังนะทันทีที่สติตัวจริงเกิดจิตเป็นกุศลทันทีที่จิตเป็นกุศลจิตมีความสุขแหละนะ จิตที่มีความทุกข์นะีเป็นจิตอากูสน์ล้วนๆเลยโทมนัตเมธนาเกิดกับอากูสน์แลจิตเท่านั้นแม น, นูดั น, ท, นที่เราก็รับความรู้สึกของคนอื่นนะคือคนแต่ละคนมันใกล้ๆมันมีกำแพงของตัวเองอยู่คนละวงคนไหนที่เซลล์จัดนะกำแพงก็หนาด้วยหนักด้วยใหญ่ด้วย ขา <c oughs> เข้าไปใกล้รัศมีก็มันอึด อ, อัดเมื่อก่อนเคยถามหลวงปู่เทศโอ้จะตายแล้วอึดอัดแค่คนเขานึกถึงยังอึดอัดเลยบางคนเข้าไปใส่บาตรนะแล้วเขาก็นึกถึงเราก็าอุทิศ ส, ส่วนบุญมาให้ <c oughs> ใกล้จะตายแล้วให้ส่วนบุญคล้ายๆเขาเลี้ยงงูอะ่ะเคยเห็นเขาเลี้ยงงูไ เอาคีบนะคีบเนื้อมาก้อนหนึ่งนะจับงูบีบปากของกระทุ้งค <c oughs> <c oughs> จิตจิตนะก่อนจะไปแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล น, น, นะจิตมันต้องเป็นกุศลจริงๆก่อนะจิตอยากจะแผ่เมตตาจิตต้องมีเมตตาซะก่อนอย่างโมโหเ ด, ดือดปุดตัดปุดตั ด, ดโกรธสมพง์แผ่สมพง์ต้องเป็นสุขเลยสมพง์มันจะต่างตาย ทำหลวงพุทธจะทำยังไงดีท่านบอกว่ามันทำอะไรไม่ได้หรอกมันยังไม่แก่กล้าพอแค่แก่กล้าพอแล้วมันกระทบมาแล้วมันไม่กระเทือนนะ ต, ตอนนี้มีหน้าที่อันเดียวจเจริญสติไปนะวันหนึ่งไม่กระเทือนนะไม่กระเทือนแต่ถ้ามันกระเทือนจริงๆก็ต้องใช้วิธีขี้โกงนิดหน่อยเพราะมันไม่ไหวจริงๆนะทำสมถะวิธีทำสมถะเวลาคนเข้าอัดเข้ามาก็คือ ทำใจให้กว้างๆเลยทำใจโล่งเลยเหมือนกับเราอยู่คนเดียวในที่โล่งๆนะ่ะกว้างๆนะพลังที่มันมากระทบมันจะทะลุไปเลยมันไม่มีตัวไปตาต่อต้านอย่างนี้ของเราก็คล้ายๆเราสร้างกำแพงขึ้นมาแล้วก็กระแทกมามันต้านมันต่อสู้กันเหนื่อยเห็นคนมาเล่าเรื่องรถไฟฟ้าใช่ไหมหลวงท้อไม่เคยขึ้นเคยแต่เห็น ไงั้นไม่เดือดร้อนไม่มีวิบากตัวนี้เดี๋ยวเราพัก